ตอนอบรมจริยธรรมคณะคุณครูโรงเรียนศูนย์พลานคอยระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2560ตอนที่หเออตั้งมั่นกับการฟังนะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทําหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความดุจพ้นในเวลานี้เรามีหน้าที่ทําอะไรฟังฟังอย่างเดียวถ้าฟังด้วยพูดด้วยแปลว่ายัางไง แปลว่าขอรับชั้นหน้าที่ใช่ไหมหน่าแหละรู้จักหน้าที่นะก็พวกครูสรุปวันนี้นะราปฏิบัติทั้งวันเช้าสายบ่ายเย็นนะอันนี้วิชาอะไรนะวิชาขวัญกับเลียมเนาะเช้าสายบ่ายเย็นก็แถมด้วยชุรยิยนจันทาด้วยแต่ช่วงเข้าค่ายนี่คุณครูเข้าค่ายเนี่ย กลางคืนเราตัดสุเยนจันทาออกนะเราก็เอาทุกวันเอามาสรุปนะให้ทุกคนเข้าใจเมื่อกี้เราทำอะไรนะ เ, เราเช็คแอนด์แดนซ์ภาษาอังกฤษบอกเช็คแอนด์แดนซ์นะเช็คอัพยัวไมคคือกระตุ้นจิตเราให้ตื่นแดนซ์เซซายนะการออกกำลังกายโดยการเต้นลํนะแล้วพ่อครูเรียกว่านาน า, น า, นานจิตตัง นะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีอารมณ์ไม่เหมือนกันมีจริตไม่เหมือนกันการที่ไปสั่งให้เขาเนี่ยซ้ายหันขวาหันทําท่านั้นท่านี้ไม่กระทั่งการเต้นลํามันมีท่าตายตัวนะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์กําหนดขึ้นชีวิตเราไม่เคยอิสระเลยทําอะไรก็ต้องมีการกําหนดการสั่งการนะการควบคุมเราไม่เคยอิสระแต่เมื่อกี้นานาจิตตังเนี่ย เราเดินดาเนินไปด้วยความอิสระภาพใครสะดวกยังไงก็ทำไปอย่างนั้นไม่มีสเต็ปนะาล้จะทำให้จิตเราอิสระมากนะแต่ละเราอาศัยเสียงถ้าพวกเราเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่ถือศีล8ปดศีลสิศีลปฏิมโมกฟังเพลงเนี่ยผิดศีลลูกเราไม่ได้ฟังเพลงเราฟังเสียงนะเราเพียงฟังเสียงที่จากเพลงนั้นนะมันคืออายตนะ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็เกิดอารมณ์ที่ใจนี่คืออายตนะภายนอกนะมันมากระทบอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะทุกอย่างมากระทบภัรษะนะกระทบตาหูจมูกลิ้นกายมันจะส่งไปให้ที่ใจใจเป็นโกดังเก็บอารมณ์เวทนาเกิดขึ้นที่ใจนี่คือขบวนการทำงาน ของขันห้านะร่างกายเราประกอบด้วยขันหา้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะขันห้าที่แบ่งเป็นสามส่วนรูปนะก็คือกายกายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเนี่ยกายที่เราตีมันรู้สึกอะไรพวกนี้นะนะอันนี้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะเรียกว่ารูปประธรรม เวทนาสัญญาสังขาร น, นะสามตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์นะเป็นเจตสิกในภาษาบาลีเนาะเราเรียกว่าอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตวิญญาณ น, นี่เป็นตัวจิตวิญญาณ น, นะร่างกายเราก็ประกอบด้วยชีวิตเราประกอบด้วยกายจิตอารมณ์เราก็ถึงจัดโปรแกรมกายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวีมีสุขชีวิตเราชอบทาอะไรแยกส่วน เราเป็นนักกีฬาเราอยากเป็นแชมป์เราก็ตื่นตีสีออกมาจ็อกกิ้งวิ่งยกน้ําหนักออกชกกระสอบบ้างอะไรทําะไรมันแข็งแรงนะเราเอาร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวนะเราแยกส่วนฝึกกายไปฟิตเนสนะไปกายภาพบําบัดจบพอไปฝึกจิตก็เอาจิตอย่างเดียวนั่งทรมานสังขารนี่คือมนุษย์เราเนี่ยทำอะไรแยกส่วนนะ มองอะไรวิทยาศาสตร์เนี่ยจำแนกแยกแยะหาเหตุ <พ lum S 1> เพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยกก็ยิ่งสับสนแต่ทางธรรมนี่กลับกันนะจำแนก แ, นกแจกจ่ายตามเหตุเพื่อมรักผลยิ่งแจกก็ยิ่งเบายิ่งจ่ายก็ยิ่งว่างนะแต่ทางโลกอวิทยาศาสตร์เนี่ยจำแนกแยกแยะแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผล ยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยกก็ยิ่งสับสนเธอเป็นใครเป็นหม อ, เ, อเป็นพ่อค้าเป็นอะไรวุ่นวายไปหมดเลยเราแตกกลายเป็นว่าแตกแยกนะแต่ทางทากับกันนะขนมเค้กก้อนหนึ่งเราจะทำให้มันเป็นหนึ่งทำยังไงพวกครูเคยบรรยายแล้วนะนะใครจําได้นะนมเค้กก้อนหนึ่งแบ่งเป็น8ดชิ้น จะทำให้มันเป็นหนึ่งทำยังไงที่มายจาได้ไหมเนะีนะ่ยทำมักให้เป็นหนึ่งมักมีองแปดทำให้เป็นหนึ่งยังไงนะนมเค้กก้อนหนึ่งเราแบ่งเป็นแดชิ้นแล้วก็แจกออกไปจำแนกแจกจ่ายตามเหตุเพื่อมักผลยิ่งแจกก็ยิ่งเบายิ่งจ่ายก็ยิ่งว่างความว่างนี้เป็นหนึ่งละ นี่คือนี่คือทางผลทุก์แต่ในทางโลกบอกเธอต้องเอาเยอะ ๆ, ๆต้องเอาเยอะ ๆ, ๆต้องเรียนเยอะๆนะอันนั้นคืออันนั้นไม่ใช่มักอันนั้นคือมักมากอยากได้เยอะๆแล้วสุดท้ายตัวเองก็ทุกเพราะเยอะเท่าไหร่ก็ไม่พอเห็นไหมเออเยอะแค่นี้คนอื่นเขามากกว่าเราก็เอาเยอะขึ้นเนี่ยนี่คือโปรแก ร, รมที่พระครูเซตอัปขึ้นมาเนี่ย แ, แรกๆก็มี4ี่โปรแก ร, รมเช้าสายบ่ายเย็น ตอนเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มที่นี่หโมงครึ่งแต่ท่านใดที่จะไปฝึกสุเรียนจันทาตีห้าึก็ไปเนาะอ่าโมงครึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์นะเราเตรียมพร้อมทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์เพราะว่าสามอย่างนี้คือเครื่องมือเดินทางไกลของเราเหมือนเราจะไปเดินป่านั่นแหละเราก็ต้องหามีดนะ หาเต็นหาอะไรอะไรเตรียมปุ๊บแล้วก็เดินป่านะอันนี้จิตเราจะเดินทางไกลเราก็ต้องเตรียมพร้อมเครื่องมือเดินทางนะก็คือเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์นะตอนเช้ามีห้าขั้นตอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็เจอกันหกโมงครึ่งที่นี่นะส่วนมิชฉีน้อยเนี่ยตื่นกี่โมงตีสี่ครึ่งทำอะไร ทำอะไรก่อ น, ป น, บบนไปแปลงฟั น, น, บบนฮะและ้วทำอะไร เ, บบเออแล้วทาอะไรบบอ๋อจิตอาสามาทำอะไรบ้าง เ, บบาเออบางคนมาทำความสะอาดสาราบางคนไปกวาดลานเจ้าแม่กวนอิมเพราะคูเห็นอยู่ตกเชาวเนาะ แล้วก็เสร็จแล้วไปไหนไปหมุนสุริยันจันทาเน ะ, นะมีใครบังคับให้ทำไหมใช่แล้วทำไมอยากทำล่ ะ, ะไปหมุนทุกวันเนอะอันนั้นเขาเรียกว่าสุริยันจันทาตอนเช้าเราไปยืนหมุนที่โน่นเป็นการฝึกทรงตัวด้วยความเร็วถ้าเราเผลอคิดปุ๊บเราจะเซทันทีนะไม่ชีน้อยเนี่ย พวกครูวันนั้นนั่งดูเนี่ยจำไม่ได้แล้วมีคนเอามือไปไหว้ที่หลังข้างหลังนี่เนาะแล้วก็หมุนไปด้วยเนา ะ, นะเราทรงตัวได้แล้วต่อไปเราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ชีวิตเราก็ควบคุมชีวิตเราได้ <c oughs> ตอนเช้าเราไปรับแสงอะไร <c oughs> ตอนเช้าตีห้าครึ่งไปรับแสงอะไรรับแสงอาทิตย์เรียกว่าสุริยัน นะกลางคืนสองทุ่มเราก็ไปหมุนเนี่ยรับแสงจันเนาะรับพลังงานธรรมชาติส่วนช่วงเข้าค่ายเนี่ยกลางคืนเรามานั่งคุยกันสรุปว่าแล้วก็ถ้าคุณครูมีมีคำถามอะไรก็เขียนขึ้นมานะช่วงสามวันนี้เราจะดูด้วยกันเนี่ยตอนเช้าเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์นะแล้วก็ตอนสาย9ก้าโมงครึ่งโปรแกรม ภาษาอังกฤษบอก Search inside yourself Search เข้าไปในตัวเองนะนะแต่ว่าภาษาไทยเราเรียกว่าอาริยบทสีมายืนเฉยเฉยมาเดินเฉยเยมานั่งเฉยเฉยมานอนเฉยๆชีวิตเราไม่เคยอยู่เฉยเฉยนะแม้กระทั่งเราฝึกสมถาทากมมาฐานเรายืนต้องกำหนดบางทีกำหนดพุทธโทนะบางคนบางคนก็กำหนด อริยบทการเคลื่อนไหวของร่างกายขวาซ้ายมีการกระทำตลอดนะเพราะเราเข้าใจคำว่าพัฒนาพัฒนาจิตต้องมีการกระทำเกิดขึ้นแต่สี่โปรแกรมนี้เราพัฒนาโดยไม่ต้องทำอะไรเราเราก็มายืนอยู่เฉยเฉยมาเดินอยู่เฉยเฉยมานั่งอยู่เฉยมานอนอยู่เฉยเฉมาทำโดยไม่ต้องกาหนด ไม่มีการกระทำใดๆมาทำหน้าที่เฉยๆเนี่ยเราเราก็ทำนะเราถอยมามาเต้นเฉยๆมเมื่อกี้นีนานาจิตตังแล้วก็มาเต้นเฉยๆมาเคลื่อนไหวเฉยๆเราไม่ได้กาหนดเราไม่ได้สั่งการมันไม่มีท่าโดยเฉพาะตอนบ่ายเรามานั่งเวียงเราเรียกบางคนเรียกสมาธิเวียงเพราะกูไม่ได้ตั้งชื่อนะมันไม่มีชื่อเรียกนะมันคือจิตในจิต นะเราสร้างแรงเหี่ยงให้เข้าไปในจิตในจิตจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธนะทีนี้ภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า inside out เมื่อเราเข้าไปข้างในเว็บไซต์เราแล้วเนี่ยอารมณ์ข้างในเว็บไซต์เนี่ยมันก็ส่งออกมากายภาพร่างกายเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ใช่สมองสั่งข้างในมันสั่งจิตปัจจุบันก็รู้เท่าทันมันนะรู้อะไร ไม่ใช่รู้แค่การเคลื่อนไหวของร่างกายรู้อารมณ์ด้วยนะรู้อารมณ์เวทนามันเกิดขึ้นยังไงรู้ความรู้สึกของจิตด้วยนะรู้อารมณ์ในอดีตเนี่ยมันแสดงกายภาพนี่คือรู้ทั้งหมดรู้ฐานทั้งสคือกายเวทนาจิตธรรมนะรู้ทั้งหมดถ้ารเราเหวี่ยงแรงๆ มีครูนะคุณครูที่ว่าเมื่อกี้เด้งนะพราะคูเห็นแล้วเมื่อเช้าเนี่ลุกขึ้นมาก็นั่นน่ะอายุขนาดนี้ต้องมารักษาก็คือว่าเวลาเราเช็คเช็คแอนแดนก็ระดับหนึ่งพอร่างกายเรามีน้ำหนักเนี่ยนะถ้าโครงสร้างเรากระด้ามเนื้อเส้นเอ็นมันไม่ปกติกระดูกทับเส้นประสาทแล้วเนี่ยต้องมานั่งเวียงเวียงให้เข้าไปในจิตแล้วจิตมันรู้เองว่าร่างกายมันบกพร่องตรงไหน นะถ้าเลือดลมไม่วิ่งมันก็ขับเลือดลมวิ่งกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตรงไหนมันทับกันเขาจะสั่งให้เรา ท, ทําท่าที่ที่เราทําไม่เป็นแต่จิตมันจะทําเดี๋ยวมันจะปรดบ่อยนะพวกเราไม่เคยเชื่อเรื่องนี้นะจิตรักษานะทํารักษานะพุทธโอสถจิตเป็นนายกายเป็นบ่านะจิตเป็นเจ้าของชีวิตนี้ร่างกายเป็นบ่าเป็นแค่เครื่องมือของจิต แต่ตอนนี้เราใช้ร่างกายเราไปสั่งจิตเราใช้ความคิดเรานะเราใช้ความคิดเราไปควบคุมจิตจิตมันก็ไม่อิสระนะเรามาปลดปล่อยมาเช็คมาแดนมาขับเคลื่อนมาอะไรนะามาเหวี่ยงทำให้จิตมีพลังหลุดพ้นจากความเป็นาธาตของใจเมื่อจิตอิสระแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าร่างกายนี้ตรงไหนบกพร่องนะเออใครน้ำหนักเยอะ เขาบอกว่าเกินไปเขาจะลดน้ำหนักให้เราใครน้ำหนักไม่พอเขาจะปรับขึ้นมานะคือจิตเขาต้องรักษาร่างกายนี้เพราะว่าร่างกายนี้คือเครื่องมือเดินทางของเขานะเขาหวงมากแต่ทุกวันนี้เราไม่เคยเชื่อมั่นตัวเองเลยเราก็ไปรับขันนะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือตัวเอง เราไม่เคยพึ่งตนเองเลยพระพุทธเจ้าบอกอัตหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนนะอันดับแรกเราต้องมาช่วยปลดปล่อยให้จิตอิสระจากความเป็นทาตของใจนะแล้วก็ต้องศรัทธากับจิตเราต้องแบ่งปันเวลาให้กับเขานะเมื่อกี้พ่อกูก็พูดถึงเรื่องตอนบ่าย เรามาสร้างแรงเวี่ยงนะบางคนเรียกว่าไปตั้งชื่อเพราะเราคุ้นเคยต้องตั้งชื่ออันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเพราะครูไม่ตั้งชื่อถ้าตั้งปุ๊บมันจะกลายเป็นลัทธินิกายนะทุกวันนี้เนี่ยมันแยกหลายแล้วนิกายแค่นี้ก็ทะเลาะกันไม่หยุดแล้วนะเพราะครูจะไม่เป็นส่วนหนึ่งกับการไปสร้างลัทธินิกายเพื่อจะขัดแย้งกับคนอื่นนะลัทธินิกายไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องของจริตที่ต่างกันแต่ที่นี่ทุกจริตทําได้หมด นะทำทำตามที่ตัวเองถนัดไม่ถูกบังคับสั่งการว่าต้องทำท่านั้นต้องทำท่านี้นะช่วงบ่ายนั้นเราสามารถแรงเหวี่ยงเข้าไปในจิตในจิตได้บางทีจิตเดิมเขารู้ว่าต้องพาจิตปัจจุบันเนี่ยไประลึกชาติไปจ่ายหนี้กรรมในอดีตทำให้เรารู้ว่าเราสร้างกรรมอะไรมาบ้างแล้วมันก็รักษาจิตปัจจุบันอันนี้เขาเรียกว่าจิตรักษานะใช้หนี้กรรมทางจิต โรคที่รุนแรงเนี่ยต้องเข้าไปในนั้นแต่ถ้าโรคไม่แรงเนี่ยนะแค่เรามาเช็คแอนด์แดนอะไรเนี่ยมันก็รักษานะทีนี้ตอนกลางคืนเราเรียกว่านาน า, น า, นานจิตตังก็คือเช็คแอนด์แดนส์นะถ้าเรากลับบ้านไม่ใช่ต้องทำทั้งหมดฟูโปรแกรมเนี่ยนะเราก็เลือกเวลานั้นมันเหมาะอะไรเราก็ทำทุกวันวันละเล็กวันละน้อยเลือดลมมันก็วิ่งนะยิ่ง ถ้าเราทำงานอยู่ในออฟฟิศนั่งทับมันนานๆเนี่ยนะเลือดลมมันไปวิ่งสุดท้ายเราอยู่ในโพซิชันนั้นานานๆเนี่ยกล้าเมเนื้อเส้นเอ็นมันก็ตึงนี่กลายเป็นออฟฟิศซินโดมนะกลายเป็นออฟฟิศซินโดมเดีวเมื่อเราลมไปวิ่งมันวิ่งไม่ดีแล้วโรคพูงแพ้ก็ตามมานะถ้าเรานั่งหมุนหมุนบ่อยๆเลือดลมมันก็วิ่งนะเราจะพึ่งยาน้อยที่สุดก็วันนี้พัะกูก็สรุปแค่นี้เดี๋ยว ดอนไม่พอโอเคนะก็ไปพักผ่อนกันพรุ่งนี้พบกันที่ศาลานี้หโมงครึ่งนะตรงเวลานามาก่อนเวลาสักหนะ้านาทีสิบนาที